ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่มปปุตติยานกำลังนำเสนอเรื่องประเจเวกขณะสมาธิาสืบต่อมาโดยลำดับเตืนว่าแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญเพราะว่าเป็นธรรมปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสำนึกสำเนีกคือมองกลับเข้าหาตัวเอง ระบบการศึกษาของเราส่วนใหญ่นะเป็นมองจากข้างนอกไปเรียนรู้จากข้างนอกอะไรมากมายใคร่กองผล ท, ท้ายไม่รู้จักตัวเองแล้วก็หลงตัวเองบางทีก็ลืมแม้แต่ปู่ย่าตายายกันตัวเองนะักการศึกษาสมัยใหม่อาจจะรู้ประวัติโคดเงาวของ อับรามลินคอนหรือว่าประธานาธิบดียอดปูดแต่อาจจะไม่รู้ว่าทวดคนตัวเองชื่ออย่างไงหลายปีมาแล้วนะฮะได้ฟังทั้งควงอไพวงมาปาปาตกถาเขาเรียกว่ามันไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าจะเรียกว่าน่ามเมนนะฮะคือ ป, ปาปาตกถาหน้าพระสบห น, น้าโกรธ ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญญาณพงศ์ท่านบอกว่าท่าน่ะเป็นอะไรก็ได้ที่ปดีก็เคยเป็นนัฐมนตรีเึกษาเคยเป็นกรมนาคมก็เคยเป็นนายกก็เคยเป็นมาแต่ว่าสิ่งที่ท่านเป็นไม่ได้อย่างหนึ่งคือเป็นครูถามว่าทาไมเป็นไม่ได้ท่านบอกว่าท่านเป็นคนทะลึงตึงต เดี๋ยวจะสอนลูกเขาเป็นลิงเป็นข้างไปหมดแล้วท่านก็เล่าถึงผลจากการศึกษาปรการศึกษาในขณะนี้มันสร้างความสับสนจนเด็กเนี่ยสูญเสียความเป็นความเชื่อมันอ่น่ะความเป็นรวนตัวเองว่าในกรณีเนี้ยควรจะปฏิบัติอย่างไรนะถ้ท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคราวหนึ่งนี้ท่านไปดูภาพยนตร์รอบที่สอง พรอบแรกก็ออกมาจนจะหมดทั้งกระสุนก็นไปวอนนี้ก็มีเด็กนักเรียนออกมาก็จำได้นะฮะว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่เธอก็งงนะฮะไม่รู้จะจะโคง้งจะไหวจะถอนสายบัวหรือจะคำนับเลยไม่รู้ทำยังไงเสร็จแล้วแกก็แลบลิ้นหัวารากแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งหนีเย รัฐบาลเนี่ยคือมันสอนเด็กมากไปแล้วมันไม่สอดคล้องกับวิธีชีวิตของเด็กเด็กก็เติบโตมาในสังคมหนึ่งแต่เราเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสอนแล้วไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่ใช้ในกรณีอะไรเนี่ยแล้วก็เกิดความสับสนแล้วก็พูดถึงว่าการเรียนที่มันไกลตัวเองออกไปแต่ก็ยกตัวอย่างว่าท่านเคยถามเด็ก ว่ากรุงโรมเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนโรมเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเด็กก็บอกว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีแล้วท่านก็ถามว่าที่ปากน้ำสมุดประการเนี่ยมีปูเจนีสถานอะไรสำคัญบ้างเด็กตอบไม่ได้นะฮะตองการจะให้ตอบเรื่องพระเจดีสมุดประการนั่นคือแสดงให้เห็นว่า ความสนใจในเรื่องตัวเองเนี่ก็น้อยแล้วมาก็เคยบางโอกาสเราสังเกตการบินไทยขายจั ก, กรวาลอะไรตไรเนี่ยหรือพวกไอค8 0ร้อยแปดสิบเนี่ยคือถ้ามีจังหวะก็จะนั่งดูเราก็เห็นว่าแปลกคือถ้าเรื่องไกลตัวเนี่ยเด็กจะรู้โดยเฉพาะเรื่องเมืองนอกนะฝลั่งเด็กจะรู้ แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศตัวเองชาติพันธุ์ตัวเองเนี่ยจะตอบไม่ค่อยได้การมีนไทยไขจั ก, กรวาลก็ตามหรือแม้แต่ว่าไอคิวร้อยแปดสิบก็ตามเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่น่าคิดเนื่องจากผลผลจากการไปษาเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าลูกหลานของเราไม่มีทิศทางก็ยังนึกว่าพวกว้าแดงเนี่ยมันจะเริญนขึ้น เมืองอะไรเมืองยอนเมืองอะไรเนี่ยมันจะเริญขึ้นโดยการค่าอย่าบ้าแต่พร้อมกับฆ่าคนของเราทำลายคนของเราแล้วการอุตสานั้นไม่สามารถสร้างสํานึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่มีวินัยในตัวเองได้คือควบคุมตัวเองได้ที่จริงทุกคนมันผ่านวัยเด็กมาแล้วทั้งนั้นมันไม่มีใครไม่เคยผ่านวัยเด็กมา อัตมาเองอาจจะอยู่ในวัยเนรแท้มากไปหน่อยแต่จริงเราก็เคยอยู่เป็นฆราวาสในช่วงที่อยู่ในวัยรุ่นน่ยนะเราก็เป็นฆราวาสอยู่แล้วก็บวชเมื่ออายุตั้งเกษทหารแล้วเลยซ้ําไปนะแล้วก็ผ่านชีวิตมาในช่วงนั้นแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันมีพื้นฐานการฝึกปลืออบรมมาจากพระที่เราเคยผ่านการเป็นเด็กวัดมา ไอ้ส่ิ่งนี้มันก็กลายเป็นหลักใจเราอย่างน้อยเราก็นึกถึงสี่ห้าอยู่เรื่อยนึกถึงอบายามุกี่พระย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เรื่อยแต่มันก็อยู่ภายในใจเพราะเราอยู่ในแวดวงโดงนั้นเราก็ไม่อ่อนไหวไปตามการชักชวนเชิญชว น, ชวนแล้วก็จึงจึงมีความรู้สึกมาตั้งแต่นั้นมาว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่คนเขาพูดกันเนี่ยเราไม่เชื่อเยอะ ทฤษฎีต่างๆเนี่ยเจนว่าลูกคนกลางอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่า ง, ง, า น, า ง, งานั้นอามาก็เป็นลูกคนกลางเหมือนกันก็ไม่เห็นมีอะไรอเราก็ที่จริงเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่เกิดมาไม่เท่าไรเราท่านก็ตายจะแล้วแต่ว่าเราลมมันมีอะไรอยู่อ่ะมันมีพระเนี่ย ที่ท่านอบรมสั่งสอนเราได้เห็นได้ยินท่านเล่าในทงนิทาในฟังอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วก็ซึมซับอยู่ภายในใจพอจะเกิดผิดทําผิดอะไรมันก็นึกถึงตรงนี้มันก็ผ่านไปผิดไปได้แต่แน่นอนว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะยุคสมัยตอนนี้ค่อนข้างแรงเพราะว่าสื่อที่มาจากข้างนอกเนี่ยเราปะทะไม่ไหวสมัยเราเป็นเด็กๆมันก็แหมแต่จะมีแผนเสียงฟังสักเพลงเนี่ก็หายากแล้วสมัยนี้มันเยอะเหลือเกิน มันเป็นปัญหาสำคัญที่เราจะมมองถึงหลักการศึกษาของพระพุทธเจ้าเราสังเกตว่าแนวปิญหาปัจจเวัขณะทั้งหลายนั้นไม่ได้มองออกนอกแต่ ว, ว่ามองที่ตัวเราแต่ละคนนะฮะมองที่ตัวเราแต่ละคนแล้วให้สำนึกสำเนีจตามสมควรแก่ฐานะอย่างที่ผ่านมาแล้ว บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคือหัดแล้วอาการกริยาใดๆที่เหมาะติดควรของสมณะควรทำอาการกริญญานั้นๆเห็นไหมมองกลับมาหาที่ตัวเองแล้วก็ตรวจสอบตัวเองแก้ไขตัวเองปรปับปรุงตัวเองหรือว่าบรรพชิตควรพิจารณานเนืองๆว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวเขาเลี้ยงง่ายก็มองกลับมาที่ตัวเราที่จะต้องเกาะ อ, องิงอาศัย พลังศรัทธาของบุคคลอื่นเพราะงั้นอย่าสร้างปัญหามีอะไรให้กินก็กินไปไม่ต้องไปวุ่นวายอยู่ให้ได้แล้วก็มาตรวจสอบที่อาการเกรยิยมันประชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการเกริยอย่างอื่นที่เราจะพึงทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกนะไม่ใช่เพียงทางนี้หรอก คือหมายความเราจะอยู่จุดไหนก็ตามมันเป้าหมายสูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วโดยเฉพาะเป็นพุทธบริษัทเนี่ยคือเราเดินมายัางไม่ถึงสาสิบเปอร์เซ็นต์ของเส้นทางเลยกหน้ายัางไปลิบลิเลยนะฮะเพราะถ้าเราถ้าเรามองจริงๆเนี่ยว่าสมมติว่าเอาห้าสิบต่อห้าสิบนะฮะเป็นพระโสะดาบันถึงพระอรหันต์เอาห0สิเปอร์ซนต ในระหว่างปุถุชนเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นตเราก็ยังไม่ค่อยถึงสามสิเอร์เซ็นในระดับของปุถุชนเพราะไม่จะต้องมีอิรยาบทอะไรต่างๆที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลึกซึ้งลงไปอีกเยอะเลยอย่างที่บอกว่าปริยายธรรมะที่ส่งสอนส่งแสดงเนี่ยคือส่งสอนในแนวลึกถ้าเราลงแนวลึกได้เนี่ยแนวอื่นมาไม่ต้องกลัวนะ เช่นสมมติว่าเราจเจริญเมตตาจนไตจะศีลข้อที่หนึ่งนี่ลงไปเรื่อยๆจนเมตตาอินดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันแก้ปัญหาได้สารพัดแล้วจะเป็นอัตโนมัติไปโดยธรรมชาติของเขาของธรรมะเพราะถ้าเราเมตตาเขาแล้วเนี่ยเราจะปฏิทุสร้ายชีวิตเขาไม่ได้ปฏิทุสรายทรัพย์สินเขาไม่ได้ล่วงเกินคู่ครองเขาไม่ได้ แล้วก็โกหกหลอกลวงเขาไม่ได้จนถึงกับทาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาเ็าโดยธรรมชาติเลยเพราะในจุดจุดเทียมโยงสำคัญที่สุดก็คือจุดของความเมตตาโดยใสยพลังของเมตตาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในสารพัดและในโลกเนี่ยเพราะงั้นแม้จะไม่เป็นพุทธภาสิตนะ โลโกปธรมพิการเมตตาในว่ยไช่พุทธภาษิตนะฮะเป็นเทระภาษิตคือสมเด็จประมาณน้าเจ้าทรงสรุปทรงสรุปธรรมะถึ่งเป็นพระสูตรใหญ่เมตตาสูตรเนี่ยสรุปด้วยคำสั้นๆว่าโลโกปธรมพิการเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกเนื้อหาแล้วกเก็เป็นอย่างไงเนี่ยเพราะงั้นเราจะจะเห็นว่า ถ้าเรายังเดินไปไม่ถึงส่งนั้นเวลานี้ยเรายังมีความเป็นเราเป็นเขายังมีความเป็นพวกเราพวกเขาอยู่เยอะเลยอย่างในกรณีถึงของสอปส อ, อย่างที่ว่าเนี่ยนะ้ามาก็บอกว่าเราอย่ามาทะเลาะ ก, กันนะคือมาทางดีสิ่งดีที่สุดให้แก่พระาศาสนาให้แก่ชาติบ้านเมืองและอย่าคิดว่าใครได้ใครเสียมันไม่มีใครได้ใครเสียแต่ให้ชาติบ้านเมืองเขาได้ เราเป็นผู้สนองคุณแผ่นดินแน่นอนตำแหน่งหนะ้าที่การงานเราไม่มีไม่เป็นข้าราชการเป็นอะไรขังเขาหรอกแต่ว่าเราก็คือศาสนิคณหนึ่งในศาสนานี้เมื่อมีอะไรเราก็ทุ่งจริงเราก็ขอร้องแล้วเราก็อธิบายได้นะแต่ละข้อเนี่ยเราจะอธิบายได้มันไม่ใช่แล้วก็ถามว่าเราสูญเสียอะไรเราไม่สูญเสียอะไรถามเราได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไร ถ้าจะได้ก็คือได้ทําหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาโดยสถานภาพของความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยหน้าที่หลักเนี่ยก็คือศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่ดูแลรักษาศาสนาเราก็ตือบนเดินเดินวนเส้นทางของเรานั่นก็คือการพาจิจารณาตรวจสอบตังภารกิจที่เราจะต้องทําจะต้องทําขึ้นไปเรื่อยๆและภารกิจส่วนตัวเองมันก็ลึกลงไปเรื่อย ดันั้นยังยกตัวอย่างว่าเช่นสมมติเรารักษาศีลข้อที่สี่เนี่ยมุสาวาตหนึ <c> ่ง <oughs> ไม่พูดเท็จเองสองต้องไม่ใช่คนอื่นนะพูดเท็จสามต้องไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็จสี่ตัวเองดำรงอยู่ในสัจจะทีนี้ถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ติดต่อสื่อสารอะไรแต่ไรกันก็สบายเห็นไหมเราจริงๆมันต้องศึกษาเข้าหาตัว แล้วการศึกษาในยุคหนึ่งที่ถือว่าเป็นการล้มเหลวเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเราไปเขาเรียกอะไรอะ ย, ยุคนั้นเป็นความเป็นผู้เลิศทางวิชาการไม่รู้หมายความมายังไงอะนะถามว่าหมายความมายังไงความเป็นผู้เลิศทางวิชาการเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตวิญญาณมันต้องมีวิชาแล้วก็มีจรณะ ความรู้กับความประพฤติเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันมันเหมือนกับต้นไม้ที่โตขึ้นมาเนี่ยทุกสัดส่วนมันต้องโตมาด้วยกันไม่ใช่มาโตเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วจุดอื่นแค่แกนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะั้นศาสนามันก็มีการศึกษาที่มองเข้าหาตัวแล้วเมื่อทุกคนตรวจสอบที่ตัวเองหมดมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกัะดานมันเหมือนกับเบื้องคำปานาอะไรต่างๆเนี่ย เราจะเห็นว่าที่จริงเวลาเขาสร้างเนี่ยมันตรวจสอบแต่ละแผนน่นแล้วก็เมื่อทุกแผ่นไม่มีปัญหาก็นำไปปูรวมกันได้นะฮะจะกี่แผ่นก็ได้สังคมมนุษย์เราก็มีลักษณะอย่างนั้นบางชีเนี่ยมันเป็นความแตกต่างซึ่งเราแก้ไขไม่ได้แต่ข้อสาคัญใหญ่เกิดความแตกแยก อย่างในกรณีตัวอย่างว่าเราจะปรับคนให้สูงเท่ากันใหญ่เท่ากันผอมอ้วนเท่ากันอันนี้เราทําไม่ได้เพราะนั้นคือกระบวนการของกรรมเรายอมรับความแตกต่างตรงนั้นแล้วก็ไม่มีใครมีปมด้อยมีปมเด่นนะอย่างที่เด็กอเมริกาคนหนึ่งเด็กผู้ชายอายุสิบ้าปีที่ก็ยิงกลาดเพื่อนตายหลายศพคือประเด็นสำคัญว่าตัวเธอเล็กก่อนเล็กกว่าวัย แล้วก็เพื่อนแสดงอาการดูมินก็างกายปันบมได้ที่จริงมันไม่ใช่บมได้ อ, อะไรอนะฮะบุคนขนาดนักปเรียนก็ตัวเล็กนิดเดียวอ่าดีต่ายกตรมตรีบรรหารก็เราก็ตัวเล็กนิดเดียวแม้แต่คุณชวนก็เหมือนกันนะก็ตัวเล็กๆอ่ะ ก, ก, ก็ไม่ได้แปลกอะไรต่องเสือปิงก็เล็กนิดเดียวสมเด็จย่าก็นั้นหนักนิดเดียวนะฮะมันมหาบุรุษในโลกมันเยอะไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปร่างหรือจะเล็กหรือจะใหญ่ แต่ปัญหาสําคัญว่าอย่าให้เกิดเป็นความแตกแยกทีนี้การไม่แตกแยกเนี่ยมันต้องมองเราเชื่อมโยงกับเขาให้ได้แต่พอการศึกษามันมุ่งแต่จะได้จากเขาโดยเราไปรออยู่เบื้องบนเนี่ยยังแนวความคิดสมัยหนึ่งที่บอกว่า เ, เราเป็นเด็กหัวะดีก็ เ, เรียกว่าอะไรล่ะเรียนดีแต่ยากจนประเภทเรียนดีแต่ยากจน มันก็มีการอัดแก๊สขึ้นไปในยุคสมัยนั้นอัดขึ้นไปเยอะเราก็ได้คนเรียนดีแต่ยากจนขึ้นมาคนนี้ก็ตกลงว่าเรียนเก่งแล้วก็มีความรู้สูงตำแหน่งก็ต้องสูงแล้วเธอก็หนีความยากจนเธอเธอก็ต้องรวยเร็วนะ ในสูตรมันก็เดินสี่จงังหวะเห็นไหมผิดผิดสูตรเลยมนุษย์มันก็ไปปนเปือตัวเองไปหลงตัวเองไปอยู่ต้องการจะไปอยู่ยอดของเจดีย์แต่ไม่คำหนึ่งว่าข้างล่างมันจะเป็นอะไรอย่างวันก่อนฟังเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจด ร, รนรงอะไรประเสริฐที่จริงรู้จักกันนะจะลืมจะลืมชื่อไป คือเขาไปอธิบายถึงเขาไปทำอะไรภาคสนามในทางภาคใต้จริงๆมาพูดมาตั้งนานแล้วอะไรเนี่ยพูดมาตั้งแต่ยอยู่ต่างจังหวัดพูดว่าถ้าคืนเราคิดอย่างนี้ตายเพราะอะไรเพราะว่าเด็กพอได้ม .6 เนี่ยมันทานามไม่เป็นมันลืมอาชีพของปู่ย่าตายายหมดเลยเป็นคนหยิบโยงไม่เอาทั้งอ่าวทั้งฐานทั้งขี้เท่าเลย เมื่อเกิดเป็นปัญห า, าสะสมไปแล้วเนี่ยมีแต่คนว่างงานในนามแฝงมหาวิทยาลัยต่างๆเอาเนี่ยมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมตราชก็ได้หรือแม่แตรามกาแพงก็ได้เนี่ยสุขโขทยัยธรรมตราีในส่วนใหญ่เขาทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยนะบกฟังได้แมตรามกำแพงนี่มีเยอะที่คนว่างงานนะคนรอ ง, งานะไม่ใช่ว่างงานคือรอ ง, งาน โดยไม่ยอมไปทำงานตามบรรพบุรุษซึ่งที่จริงถ้าคนเหล่านี้ไปพัฒนาอาชีพอาศัยความรู้ต่างๆที่ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยพัฒนาอาชีพขึ้นไปเนี่ยเสร็จินว่าสมมติว่านาไร่หนึ่งเนี่ยเขาเคยทำได้แปดสิบถังแล้วอาจจะขึ้นไปสองร้อยถังอะไรได้โดยใช้พื้นที่เท่าเดิมเนี่ยแต่เอาความรู้ความสามารถใส่เข้าไปแต่เพราะเราศึกษาออกนอกตัวเองมากเกินไป ศึกษาไปสามารถดูมินภูมิปัญญาตัวเองนะะต้องโปรเฟสเซอร์คนนั้นว่าอย่างนั้นด็อกเตอร์นั้นว่าอย่างนั้นฝรั่งพูดแต่มันเก่งไปหมดเลยคนไทยพูดไม่ได้เรื่องหมดตัวคนไทยเขาโตมาในเมืองไทยเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเพราในภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆเนี่ยเคยดูรายการเด็กรายการหนึง่งทุ่งแสงตะวัน แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปดูแรงเองคือยังชื่นชมเด็กเหล่านั้นว่าโอโหความรู้บางเรื่องเนี่ยเขาเก่งกว่าเราเยอะเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอย่างนี้ยนั่งฟังแล้วก็ตื่นเต้นมากมันแสดงว่าเธอเรียนเรื่องใกล้ตัวแล้วเธอก็สามารถจะปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนยในการศึกษาของเรามันเบี่ยงเบนประเด็น แล้วเวลาเนี้ยที่ที่น่ากลัวมากเกินไปเนี้ยเราเราเป็นอนณานิคมทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยมันขายจิตวิญญาณแล้วเวลาเนี้ยขายจิตวิญญาณแบบตามฝรัง่งแม้แต่เรียนอะไรเนี้ยไม่ค่อยส่งเสริมจินตนาการของมนุษย์เอาอะไรไหมดูเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอันไปเลยลงทุนลงแรงก็สั่งของนอกเท่นั้ น, เ, นเงินเรียนมาเท่าไร่ก็เอาไปให้ฝรั่งเขา และผลท้ายเนี่ยมันอิรุงตุงนังนะคือแก้ตัวเองไม่ได้คล้ายๆกันอะไรล่ะคือสำยอกไอ้พวกไหมสมรอกใหญ่แมลงวันไอ้ม่ใช่แมลงมุงมหรือสำสรอกใหญ่ึ้นมาแล้วพันตัวเองเนี่ยแล้วอุตรุดไปหมดเลยหาทางออกแก่ตัวเองไม่ได้เวลาเนี้ยเรามาอยู่จุดของการแก้ปัญหาแล้วกระทบเป็นแถวเลย คือบางอย่างคล้ายๆกับพอแก้แล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับบ้านที่มันมีปวกมีมอดมีไรชอนชายอยู่เยอะพระบทจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จริงๆนี่มันพังเลยํามเอาเล่นเอาบ้านพังนั่นคือการศึกษาที่มองไกลตัวแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยทำให้เรา น, นึกถึงข้อความของหลวงพ่อพุทธทาที่ท่านบอกการศึกษามาหางรวดคนก็หาว่าท่านพูดจาหยาบ ่านก็บอกเป็นการศึกษาสุนัขไม่มีหางเวลาเนี่ยมันมันที่น่าสังเกตก็คือว่ามันเริ่มกลับแต่ว่ายังดูไม่ออกนะว่าเราสื่อสารการเข้าใจหรือเปล่าความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยคืออะไรเราเข้าใจคุณธรรมขนาดไหนเราเข้าใจว่าเนื้อหาความรู้จริงๆเนี่ยมันคืออะไรที่เป็นพัฒนาชีวิตด้วยนะ ต้องเอาปริญญาประกาศนัญาบัตรปริญญาบัตรมาอวดกันหรื อ, อยังไงเป็นจริงเพรอนั่งกูเสกะดาษแจกกระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆเราเรามีความรู้ตามเดี๋ยก็รับรองไนดะ้เปล่าเรามีความสามารถตาม น, นั้นหรือไหมพการษารในพุทธศาสนามันมุ่งที่ความเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองแล้วเมื่อทุกคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะอยู่กันได้เอ ง, งนะ อยู่กันได้เองไม่จะสื่อสารติดต่อกันได้เองเรามองดูแนวของมองคลระสูตรที่เจ้าส่งแสดงนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นสภาพแปดล้อมที่สี่ห้าอย่างนะการไม่คบพานการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาการอยู่ในท้องถิ่นที่สมควรนั้นเป็นสภาพแปดล้อมนอกตัวเราต่เกื้อกูลนะฮะถ้าเราเข้าไปอยู่ที่นั้นจะเกื้อกูลเรา แต่ ว, ว่าความเป็นผู้มีบุญกระทำไว้ในปางก่อนเนี่ยเป็นสภาพแปล้อมที่ใกล้ชิดที่สุดเลยมันมแสดงลักษณะ น, นิสัยแนวโน้มความถนัดการโน้มเอียงที่จะสนใจอะไรหรือไม่สนใจอะไรแล้วความตั้งตนไว้ชอบเป็นเป้านะเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนถ้าเราดูในมงคลในสูตรเนี่ยามาทำหนังสือนี้เผยแพร่เป็นหมื่นๆนะแต่ว่า รู้ตืก่กว่าคนเข้าใจกันหรือเปล่าครับู้คือเราเชื่อเห็นว่าที่พระเจ้าวางไว้ในแค่สี่คำนั่นเองดูสัจจันจะสิปัญจวินโยจจะสุสิกิโตนะฮสุภาษิตาจะยาวาจาเอตมังกเหมุตตะมันผู้สัจดิก็คือศึกษาเรียนรู้มากแล้วก็ศิลปะก็คือฉลาดเป็นาศาสตร์แล้วก็เป็นศิลป์คือฉลาดในศิลปะที่จะประกอบอาชีพเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดสักอย่าง แล้วก็มีวินัยในตัวเองคือหมายความควบคุมตัวเองได้ควบคุมความประพฤติควบคุมอัตยาศัยควบคุมกิริยาท่าทางการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเวลาสื่อสารก็พูดกับคนอื่นด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ้นอ้อยตาหวานลิ้นและสิ้นซากกลมปากหวานหูไม่รู้หายต้องการใดในพื้นปัิปียเมตรีแลกได้ดังใจสง แตกว่าหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพุชมาลที่หวานหอมกลิ่นไปเทียบเปรียบรวงพวงพยอมอา จ, จะน้อมจิตโน้มโดยลมลมเป็นต้นเนียคือเห็น ว, ว่าของพระเจ้าก็พัฒนาขึ้นไปตรงนี้มันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจนโน้น่ะไปมรรคผลนิพพานไปเลยโดยอาศัยพื้นฐานเนี่ยตรงเนี้ที่จริงก็คือความรู้คู่คุนธรรมหรือรู้ดีประพฤติดีนะแต่ว่าทรงสอนในรูปของบันไดแล้วเราจะเห็นว่าไม่ได้เรียนออกนอก แม้จะเจอข้างนอกก็หาประโยชน์มาพัฒนาตัวเองเพรา ะ, ะนั้นหลักการในแนวทศปินหาปัจเจกขณาเนี่ยมันจึงมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็แนวพัฒณาที่จริงก็คือลักษณะอย่างนี้หมายความมาเรียนจากข้างในเรียนจากตัวเองออกไปเรื่อยๆ อ, อาการกายของเราวาจาของเราใจของเราเนี่ยเรียนที่ไม่ได้เรียนที่ไหนหรอกนะตรงนี้ก็เป็นศูนย์ศึกษาใหญ่ในร่างกายเนี่ยต้องฟังทั้งหลาย ใต้ลมประภูยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครัน้นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี